ช่วงเวลาที่เรากําลังรอตักอาหารก็ดีหรือว่าขณะที่เรากินอาหารก็ดีมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะสำหรับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนอกจากจะทําด้วยการเป็นผู้ให้คือถวายอาหารหรือว่าแบ่งปันสิ่งของ เพช่วยเหลือผู้อื่นแล้วนะการที่เรารับอะไรเข้าไปเนี่ยหรือว่าการกินเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติทำได้แล้วก็อาจจะได้บุญมากกว่าด้วยซ้ํานะแปลกไหมเวลาเราให้ทานเนี่ยเราก็ได้บุญอยู่แล้วแต่เวลาเรารับอาหารเราก็สามารถจะปฏิบัติทำแล้วได้บุญยิ่งกว่าการให้ทานเพราะว่าบุญที่เกิด ชนิดนี้เรียกว่าเป็นบุญที่เกิดจากการปฏิบัติหรือภาวนาอาการทำบุญนี้ก็มีทานศีลภาวนานะและบุญนี่มันก็เพิ่มลำดับขึ้นไปทานนี้ก็ได้บุญมากแต่ว่าศีลได้บุญมากกว่าแล้วก็ภาวานานี้ได้บุญมากที่สุดนะเพราะว่าเป็นการกระทำที่ใจมีผลในการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ไม่ใช่แค่กระทําด้วยสิ่งของหรือว่าด้วยกายและวาจาอันนี้การกินอาหารเนี่ยเราก็ปฏิบัติทำได้ด้วยการเจริญสติถ้าเราเจริญสติในขณะที่กําลังกินอาหารนะอันนี้มันก็จะมีอนิสงส์มากนะต่อจิตใจของเราเจริญสติในขณะที่กินอาหารที่ทําอย่างไรก็เวลาที่เราตักอาหารเนี่ย ขณะที่เรากาลังเคี้ยวใจแล้วก็อยู่กับการเคี้ยวไม่ส่งจิตออกนอกการเจริญสติมันก็มีหลัก ง, ง่ายๆว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะขณะที่เรานั่งอยู่ที่ศาลา น, นี้กาลังกินอาหารใจแล้วก็รับรู้การกินอาหารสังเกตมไ่มเวลาปกติในเวลาเรากินอาหารใจเราลอยนะลอยไปโน้นลอยไปนี่นี่เรือว่ากายกับใจนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน นะใจมันไม่ไปรับรู้ว่ากาลังกินอาหารอยูนะ่การรับรู้ว่ารูปหรือว่ากายนี้กาลังกินอาหารกาลังตักอาหารใส่ปากนะอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเรียวกว่ารู้กายรู้กายนะคือว่ารู้กายว่ากำลังทําอะไรอยู่ใจไม่หลงลอยไปหรือไม่ลืมตัว กาเดือกันเมื่อใจเราลอยเราก็รู้ทันความคิดพาติด ก, กลับมาอยู่ที่กายอยู่ที่การกินอาการที่เรารู้ทันความคิดนี่เราก็เรียกว่ารู้ใจเรารู้ทันความคิดรวมไปถึงรู้การรู้ทันอารมณ์ด้วยเช่นเวลากินอาหารแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่ชอบใจก็เพลินใจก็เคลิ้มก็รู้ว่า เรากำลังเคลิมเรากำลังดีใจนะไอการที่เรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังเคี้ยวอาหารที่ชอบเนี่ยอันนี้ก็คือการรู้ใจเหมือนกันก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่เราไม่ชอบหรือว่าอาหารเผ็ดอาหารจืดชืดหรือเปเรี้ยวไม่ถูกปากเราเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาเราก็รู้ทัน ความไม่ชอบใจนั้นนะรู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ใจเราอันนี้ก็ปฏิบัตินะเรียกว่ารู้ใจเหมือนกันนะรู้ใจนี่หมายถึงรู้ทันอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะบางครั้งเรากินอาหารเราไปกินไปไปกินพริกๆขึ้นนะมันเผ็ดนะ ป่านี่มันไปบดเพริกเม็ดใหญ่เลยมันร้อนนะเผ็ดเวลาเผ็ดนี่เป็นยังไงมันทุกนะอันนั้นแหละเราเรียกว่าทุกขเวทนากินอาหารนี่ก็มีทุกขเวทนาได้นะเราก็รู้ว่าเออมันเผ็ดนะรู้สักแต่ว่ารู้นะใจไม่ไหลเข้าไปในความเผ็ดจนกระทั่งทรมาน รู้ว่าเผ็ดอ่าก็รู้ น, น, นั่นเรียกรู้เวทนาหรือว่าเวลาเผ็ดแล้วใจมันเกิดความไม่ชอบเกิดโทสะเราก็รู้ทันอารมณ์นั้นนะอันนี้ก็เรียกว่ารู้ใจนะเั้นเวลากินอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกสติให้รู้กายรู้ใจแล้วก็รวมถึงรู้เวทนาด้วย เวทนานี้นะมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะก็คือความสุขความทุกข์ความเจ็บความปวดความเผ็ดนะและใจที่มันไปรู้สึกต่อความเผ็ดนั้นอันนั้นก็จะเป็นอารมณ์ขึ้นคือไม่ชอบในทางพุทธศาสนาก็แยกนะั้นระหว่างเวทนากับความชอบไม่ชอบซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์นะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไป แยกแยกละเอียดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าปฏิบัติใหม่ๆเอาแค่ว่ารู้กายก็รู้ใจก็พอรู้กายคือรู้ว่าใจรู้ว่ากายกํกาลังทําอะไรแล้วก็รู้ใจเวลามันเผลอคิดนึกปรุงแต่งหรือว่าเกิดอารมณ์ตามมาความชอบใจไม่ชอบใจความความาเพลิดเพลินเครือบเคลื่อหรือว่าความรังเกียจผักใสมันก็เกิดขึ้นในขณะที่เรากินอาหารเราก็รู้นะ แม้กระทั่งในขณะที่เรายังไม่ได้กินอาหารเรากาลังรอยอยู่เนี่ยบางทีใจก็เกิดาการาบ่นขึ้นมาในใจว่าแหมตักอาหารนานเหลือเกินนะฉันหิวแล้วลเราก็รู้ทันอารมนั้นความหิวเกิดขึ้นนี่มันก็เป็นทุกขเวทนานะเมื่อเรารู้ว่าหิวเราเราก็สักแต่ว่ารู้หรือว่าหิวแล้วใจมันบน่นโวยวาย ตีโพยตีพา ย, พยอยากจะใหะ้ถึงเวลาของเราเร็วๆอันนี้ก็เป็นความคิดที่เราก็ให้รู้ทันในขณะที่เรานั่งรอ น, นี่เราก็ปฏิบัติทําได้ด้วยการรู้กายรู้ใจรู้กายคือรู้มือที่กาลังเคลื่อนไหวรู้ใจที่กำลังลุ้นกําลังรอว่าเมื่อไหร่จะตักอาหารเสร็จทีนะหรือในขณะที่เราไปเข้าแถวตักอาหารนะ แล้วก็อยากจะให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าตักเร็วๆจะได้ถึงคราวของเราสักทีอ่าอันนี้เราก็รู้นะรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นบางทีใจก็บน่นนะบ่นเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าว่าตักชาแล้วเกินแถมตักของที่เราชอบไปจนหมดเลยนะไอ้ของแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เราไม่ปฏิเสธเราก็ไม่ถึงกับห้ามว่าไม่ให้เกิดขึ้นกับใจเราข้อสำคัญคือว่าเรารู้นะรู้ อาการที่เกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำได้ดีมากนะในทุกในทุกขณะทุกอิริยาบถอย่าไปคิดว่าต้องมายกมือสร้างจังหวะในศาลาหรือว่าเดินจงกรมมันถึงจะเป็นการปฏิบัติในขณะที่เรากินอาหารนี่แหละเราก็สามารถปฏิบัติได้ด้วยการเจริญสติแรกสังเกตว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยใจเราจะหลงได้ง่ายนะ หลงได้ง่ายพอหลงแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลน้ำให้เรากินโดยไม่รู้ตัวทุกวันนี้เนี่ยเรากินโดยที่เราลืมตัวนี่บ่อยไปนะปากก็เคี้ยวแต่ว่าใจก็เสพอารมณ์ด้วยก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้กินแต่อาหารแต่เรายังเสพอารมณ์เสพความคิดหรือว่ากินความหลงเข้าไปด้ว ย, เ, ยเราทำสองอย่างพร้อมๆกัน นะเมื่อเราไม่มีสติแล้วก็ยิ่งเวลาเรากินกันหลายคนเนี่ยนะยิง่งหลงยิ่งลอยได้เยอะมากเขามีการทํราวิจัยพบว่าเวลาเรากินอาหารกับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเราจะกินอาหารมากกว่าปกติปกติในที่นี้หมาว่าเวลากินคนเดียวนะถ้าเรากินสองคนเนี่ยเราจะกินอาหารมากกว่าเวลากินคนเดียวประมาณ 3าหเรหรือหนึ่งในสามของเวลาที่เรากินปกติหรือกินคนเดียวถ้าคนที่ร่วมกินเนี่ยเพิ่มเป็น4ี่คนหรือว่ากินในวงที่มี4ี่คนเนี่ยเราจะกินอาหารมากกว่าเดิมประมาณ 70% ็อร์ซและถ้าวงที่เรากินเนี่ยมีประมาณสิบคนเนี่ยเราจะกินมากกว่าเดิมประมาณเก้ากว่าปซคือเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับเวลาเรากินคนเดียว อันนีไม่ใช่เป็นเพราะมันอร่อยอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะว่าเรากินด้วยความหลงด้วยก็คือว่าเวลามีเพื่อนร่วมกินด้วยร่วมวงด้วยเนี่ยเราก็กินไปก็คุยไปกินไปก็คุยไปหรือไม่ก็เห็นเพื่อนกินแล้วก็กินบ้างเรากินโดยกินตามๆกันโดยไม่รู้ตัวเนี่ยบ่อยมากฉะนั้นก็เลยมีการพูดว่าเนี่ยถ้าอยากเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวเองนะต้องกินกันหลายคนยิ่งกินหลายคนมาเท่าไหร่น้ําหนักตัวเราก็จะเพิ่มได้เร็วขึ้น นะแต่ถ้าเราต้องการลดน้ําหนักตัวนะก็ไม่ยากนะกินคนเดียวเพราะเราจะกินน้อยลงนะอันนี้ยมันก็เป็นผลมาจากการที่เรากินโดยไม่รู้ตัวนะกินไปคุยไปเนี่ยมันก็ทําให้เรากินมากขึ้นหรือว่าเราเห็นเพื่อนกินเราก็กินบ้างที่จริงแค่นี้เราก็ถ้าปกติเรากินคนเดียวแค่นี้เราก็พอแล้วแต่เห็นคนนี้กินคนนั้นก็กินคนนั้นก็กินเราก็กินบ้าง เป็นคนที่ชอบสังคมเนี่ยจะพบว่ากลายเป็นคนที่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือว่าอ้วนได้ง่ายมากอันนี้ก็เป็นเพราะการกินอย่างไม่มีสตินั่นเองดังนั้นถ้าเราการการถ้าว่าเราเริ่มจากการกินอย่างมีสติเนี่ยและทำเป็นนิสัยเนี่ยนอกจากจะทำให้จิตใจเราดีขึ้นคือว่ามีสติรู้ตัวได้มากขึ้นแล้วมันจะิงมันยังดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยคือว่า ไม่ทำให้เราเป็นโรคอ้วนไม่ทำให้เรากินโดยไม่รู้จักบรญยับบรรยังหรือว่ากินเกินความต้องการของเรางั้นก็เราก็ให้ลองนะปฏิบัติเจริญสติในขณะเจ่เากินอาหารนะแล้วก็พยายามกินคนเดียวเชนะื่อว่ากินคนเดียวนะเราก็ ช่วยทำให้เราได้เจริญสติมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งกับกายแล้วก็ใจของเรา